ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเพิ่มภาษีกุกกุชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่13พฤษภาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ กุกุชาดกฟังแล้วชื่อแปลกๆเขียนก็แปลกๆนะกอกไก่ซาอุกอไก่แล้วก็กอไก่สรลอกุกุกุชาดกเป็นภาษาบาลีนะมากระตั้งภาษาไทยว่าเพิ่มภาษีชาดกเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารท่านก็ได้เล่าชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็ลองฟังดูแล้วกันวันในอดีตการมีพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติอยู่ในนครพระนศีมีมหาอมาตยปัญญาเลิศดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือคอยถวายอัตถธรรมแด่พระราชาเสมอ ถวายอัฏฐธรรมะเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะสอนเน่ยเหมือนกับสอนธรรมะให้พระราชานั่นเองอัฏฐะที่จ ร, ริงมันก็หมายถึงว่าเนื้อหาสาระนะส่วนธรรมะก็เป็นเรื่องของสัจจะเป็นเรื่อ ง, องความเป็นจริงเรื่องอะไรควรไม่ควรเนี่ยนะแล้วก็มหาอมาตย์คนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญามากเลยทีเดียวมีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าพรหมทัต ทรงลูกแก่อำนาจอัคติทรงดำรงอยู่ด้วยความไม่เป็นธรรมได้รับสั่งเก็บภาษีเพิ่มรีดนาทาเร้นต่อชาวชนบททั้งหลายมหาหมาดลูกข่าวก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงหาโอกาสที่จะถวายพระโอวาทแก่พระราชาคือพระราชาเนี่ยเกิดอัคติ อคติก็คือความลำเอียงจําได้ไหมอคติมีกี่อย่างอาคติเอามีสี่อย่างอะไรบ้างลําเอียงเพราะรักนะลำเอียงเพราะรักก็เช่นแบบว่าบางทีเราชอบอะไรเราชอบใครเราก็เข้าข้างนั่นเองลําเอียงหนึ่งคือเข้าข้างก็เข้าข้างคนที่เรารักคนที่เราชอบ นะอันเนี้ยเขาก็ลำเอียงเพราะรักเอา้าลำเอียงเพราะช่างนะคือคราวนี้เกลียดใครอะ่ะเกลียดใครเราไม่ชอบคนนี้เราก็เลยลำเอียงก็คือบางทีอาจจะนะตำหนิอาจจะว่าอาจจะทําอะไรที่เราไม่ชอบอะ่ะเราก็อาจจะแกล้งอาจจะลงโทษลงทันอะไรไปโดยที่ไม่ไม่ถูกต้องแต่เราเนี่ยมันมันเอียงละตาช่างเอียง ลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงคืออันนี้ น, นี่เหมือนกับโดนหลอกบางคนโดนหลอกนะก็เลยหลงเชื่อไปตามนั้นนะก็เลยพอเชื่อไปตามนั้นคราวนี้คนนี้ก็ไปพูดไปทําไปคิดไปเขียนไปตามที่ตัวเองเนี่ยหลงหลงว่าอย่างนั้นน่ะดีหรือว่าอย่างนั้นถูกอันนี้เนี่ลำเอียงเพราะหลงโดยที่เพื่อง่ายว่า ไม่รู้ความเป็นจริงว่าเป็นยังไงแต่ไปคิดว่าคนเนี้ยถูกละก็เลยหลงเชื่อไปตามที่คนนี้พูดนะอันเนี้ยลำเอียงเพราะหลงจริงๆมันเนื้อหามจะมีรายละเอียดเยอะนะแต่เราเอาคร่าวๆแล้วหรืออะไรอีกอ่าลำเอียงเพราะความกลัวคนนี้อาจจะรู้ความจริงนะว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่กล้า นะไม่กล้าก็เลยทําให้ตาช่างเอียงเอียงเพราะความกลัวอย่างเช่นบางทีโดนคนเขาขู่เนี่าถ้าจะไปขึ้นศาลจะต้องไปเป็นพยานนะไปเบิกความพูดตามความเป็นจริงแต่ปรากฏว่ากลัวอาจจะโดนขู่เนี่ยก็เลยทําให้ไม่กล้าพูดตามความเป็นจริงก็กลายเป็นไปพูดโกหกหรือว่าไปพูดแบบปิดบังความเป็นจริงเอาไว้นะอั น, นเนี้ยเนี่ยเอียงละ นะเพราะความกลัวเพราะฉนั้นพระราชาเนี่ยก็เกิดอคติขึ้นมาเกิดความลําเอียงก็ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะตอนนี้อมหมาดรู้แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊จะหาวิธีแก้แก้ไขเพราะว่ามหาอมหมาดนี่เท่ากับเป็นที่ปรึกษาของพระราชาหลังก็คิดอยู่แล้วตอนนี้แหมพระราชาเนี่ยไปเพิ่มภาษีราษฎรไม่เป็นธรรมเลยเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะไม่เหมาะไม่ควรที่จะไปเพิ่มภาษี ฮอนพอคิดขึ้นมาแล้วก็เอ๊จะบอกพระราชาอย่างไงดีนะ้าเนี่ยเป็นเหมือนหน้าที่ของอำมาตย์ว่าอำมาตย์เนี่ยเหมือนกับช่วยทำงานเนี่ยช่วยอยู่กับพระราชาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกน้องที่ดีถ้าเจ้านายทาไม่ดีหน้าที่อย่างหนึ่งของลูกน้องก็คือว่าจะต้องพยายามให้เจ้านายรู้ว่าเอออันนี้ไม่ดีนะไม่ควรไปทำ แต่ถ้าอย่างไหนดีนะเป็นสิ่งที่ควรทําลูกน้องก็จะบอกเจ้านายว่าเอออันนี้ดีอันนี้น่าจะทําน่าจะแบบยกย่องนะแล้วก็จะใส่ละเสริญเจ้านายอันเนี้ยเ น, นี่ยเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของลูกน้องนะอันไหนดีทราบสนุนอันไหนไม่ดีก็บอกให้รู้ว่าไม่สมควรที่จะทำแม้แต่ลักษณะของความเป็นเพื่อนเนี่ยใครเป็นมิตรแท้ก็จะต้องมีลักษณะนี้เหมือนกัน นะแยกผิดแยกถูกให้ให้เห็นแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ดีส่วนสิ่งไม่ดีเนี่ยเราก็บอกให้รู้ว่าไม่ดีไม่ควรไปทำนะอนตอนนี้มหาอัมมานี่ก็คิดอยู่แล้วว่าเออจะหาวิธีไหนดีเพราะว่าเวลาจะบอกพระราชาหรือจะสอนพระราชาไม่เหมือนสอนชาวบ้านธรรมดานะเพราะอะไร เพราะพระราชามีอำนาจน ะ, ะสอนผิดสอนไม่เข้าท่าพระราชาโกรธหรือว่าไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วสมัยก่อนนี่ไม่ให้่เหมือนสมัยนี้นะสั่งกุดหัวง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยิ่งคนที่สูงกว่าเราแล้วเรารู้ว่าเกิดผู้ที่สูงกว่าเราเนี่ยทาบกพร่องหรือว่าทำผิดพลาดจะต้องใช้สติปัญญามา ก, มากๆะจะพูดยังไง จะหาวิธียังไงที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยยอมรับได้จะต้องยอมรับได้ด้วยไม่ใช่เรานึกว่าเออผู้ใหญ่ทำไห้ถูกทำไห้ดีก็บอกเลยบางทีบอกบอกบอกไปเนี่ยอะไรอันหนึ่งที่เป็นสิ่งน่ากลัวของกษัตริย์ของพระราชาอะไรนะอนานาจแต่แหละแต่พูดในแง่กิเลส ใช้อีกคำหนึงต้องใช้อีกคำหนึ่งใช้คำว่าอัอกตาเนี่ยมันก็ใช่อยู่แต่ ว, ว่ามันยังไม่ตรงต้องใช้คำว่ามานะ่ยจำไม่ได้เลยว่าอะไรมาเนะกษัตริย์อันนี้ต้องระวังเลยยิ่ยงๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอายุมากหรือว่าเป็นผู้มีฐานะใช่ไหมมียศศักดิ์อะไรโอโ้โหจะไปสอนง่ายๆอยู่ดีๆนึกจะพูดกับพูดไม่ได้แร้ว เวลาผู้ใหญ่พูดกับเด็กหรือผู้ใหญ่สอนเด็กอ้าวอันนั้นบางทีนะถือว่าเด็กกว่าใช่ไหมยังไงก็ยอมรับฟังหรือว่าบางทีก็ยังต้องเด็กก็ต้องอดทนอดกัน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กไปว่าผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ไม่อดทนอดกลั้นง่ายๆนะเพราะว่าเวลาโดนแย่โดนยัว่วมานะขึ้นแล้วก็เสร็จเลย เพราะว่ามีอำนาจมีกำลังมีอะไรทุกอย่างมันจะเล่นงานได้อย่างอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงแต่บางทีเด็กเอาสมมติต่อให้เด็กโกรธนะโดนยั่วโทสะโดนยั่วมานะขึ้นมาเด็กจะเอาชนะผู้ใหญ่อะมันก็ไม่ง่ายใช่ั้มมันยังยากกว่าตอนนี้ยิ่งไปเล่นเนี่ยสมัยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจครบพร้อมโอ้ถึงตายนะถึงตาย เพราะฉะนั้นนี่อันนี้ต้องระวังอย่าว่าแต่คารวะธรรมดาเลยคุณมานะพระกะเ็ <c oughs> เถอะว่าเขาไปใช้คําว่าอัตตาแต่จริงๆแล้วอัตตาเ น, นี่ยมันเป็นคำกึมกลางคาว่าอัตตาแต่คนเดี๋ยวนี้เอามาใช้อัตตาจนกระทั่งมันมันเป็นเหมือนกับมานะไปแล้วใช่ไหมจริงๆอัตตาที่แปลว่าตัวตนเท่านั้นเองนะ แต่มานะเนี่ยแปลว่าถือดีถือตัวอะไรนี่เลยมานะแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่บางทีเขาใช้คําติดกันเนี่ยว่ามานะอัตตาหรืออัตตามานะใช้ติดกันก็หมายถึงว่าตอนเนี้เกิดตัวตนที่มันหึงยึดดีถือ ด, ดีอวดดีอะไรขึ้นมาแล้วนะอันนัเป็นมานะอัตตายิ่งเนี่ย ต่อให้บอกแล้วต่อให้เป็นพระก็เหอะจริงๆฝึกฝนมาหรือปฏิบัติมาก็น้าที่จะอะไรอะลดมานะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงกิเลสคนเราโอ้มันไม่ไม่ลดกันง่ายยิ่งมียศมีศักดิ์คนมากราบไหว้คนมาเคารพคนมาสรรเสริญวันจริงๆเนี่ยโดยสมัยโบราณพระเนี่ยเขาถึงไม่ได้ให้มียศระเจ้าไม่ได้ให้มียศนะพระ ยศที่มีทุกวันนี้จะเป็นเจ้าคุณจะเป็นอะไรบ้างอ่ะฮะเจ้าคณะเจ้าอะไรก็แล้วแต่เจ้าอาวาสเอา้าเจ้าอารวาสก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วไม่มีพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ไม่เคยกำหนดไว้เลยอออย่าว่าแต่ประเทศไทยสิแมประเทศอื่นหรือบางทีาศาสนาอื่นเขาก็มีเขาก็ตั้งยศชั้นต่า ง, างๆใช่ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เจ้าท่าน ไ, ไม่ไม่ไม่ตั้งท่านไม่กําหนดเลยมันจริงๆแล้วไม่มียศเป็นพระแล้วไม่มียศชั้นบรรณะอะไรเลยขนาดว่ามีชั้นบรรณะมาเนี่ยหมายถึงว่าสมัยโบราณอะไรอ่ะเป็นลูกกษัตริย์มาหรือเป็นกษัตริย์มาเลยมาบวชใช่ไหมหรือว่าเป็นข้าทาสบริวารมาบวช<ม>ท่านถือว่าเสมอกัอนเลยท่านไม่มีว่ามายศนู่นยศนี่อะไรแล้วเผลอ จำได้ไหมกรณีช่างตัดผมของของหกกษัตริยนะ์เนี่ยที่แบบว่ า, ามีใครม้างอะ่ะมีพระเทวทัตมีพระพัทิยะมีกษัตริย์หลายๆพระองค์อะ่ะพระคุอะไรเงี้ยจำได้ไหมหมดนะน่ยที่กษัตริยนะ์่ลูกกษัตริย์เนี่ยจะมาบวชเสร็จแล้วมีช่างตัดผมด้วยนะที่จะมาบวช ด, ด้วย ปรากฏว่าลูกกษัตริย์เนี่ยคิดดีบอกว่านี่แหละเราต้องการลดอัตรามานะของเราเพราะฉะนั้นให้ช่างตัดผมนี่บวชก่อนทำไมต้องให้บวชก่อนเพราะผู้ที่บวชทีหลังจะต้องกราบผู้ที่บวชก่อนอันนี้แหละเนี่ยเป็นวิธีการลดอัตรามานะเพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้นะักทที่คิดว่าอยากจะลดอัตรามานะต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละ วิธีที่เรียกว่าอ่อนน้อมหัดยอมลงมานะกับผู้ที่บางทีแม้แต่จะต่ำกว่าโดยยศศักดินานะแม้จะต่ำกว่าเราก็ต้องหัดยอมเพราะเราหัดยอมคนที่สูงกว่าอันนั้นมันก็เป็นการยอมเป็นการลดมานะแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดเพราะว่าเอาสูงกว่าอยู่แล้วอ่ะบางทีมีอะไรหลายเหตุหลายอย่างทำให้เราก็ยอมยอมจำนนอยู่แล้วอยอมน้ายอยู่แล้วอันนั้น แต่คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยหรือคนที่เสมอเท่ากับเราแล้วเรายอมได้อันนี้ของจริงอันนี้ของแท้เพราะฉะนั้นพ่อท่านถึงบอกว่าบางทีเนี่ยนะเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงหมายความลักษณะนี้แหละถ้าเราเข้าใจเพราะอะไรเพราะเวลามันมีมา n ะขึ้นมาเนี่ยมันหลงตัวหรือว่ามันถือตัวขึ้นมา มันยึดว่าเราถูกเราดีนะมันจะเป็นยังไงคราวนี้เหตุผลมาเชละเหตุผลมาเชยละโดยเฉพาะเหตุผลอะไรเหตุผลที่อักขติหรือว่าลำเอียงที่จะเข้าข้างตัวเราเนี่ยมันจะมาเยอะแยะเลยมามากมายเลยแล้วมันก็จะมาเสริมความยึดดีความถือดีความถือตัวของเราเนี่ยให้เราเนี่ยยอมไม่ลงสักที เพราะนั้นใครจะยอมคนอื่นได้เลยนะคุณจะต้องมีเหตุผลตรงก้างข้ามกับที่คุณคิดอยู่เพราะถ้าใครคิดเหตุผลที่ตรงกัข้ามกับที่คิดอยู่แล้วยึดอยู่นั้นไม่ไม่ได้เลยนะใครนึกเหตุผลที่ตรงข้ามไม่ได้คนนั้นยอมไม่ไม่ลงเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้อีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องคิดเหตุผลยอมเลยคือใช้สมถะเลยบอกยอมเลย ยอมได้ยอมเลยใช้กําลังกดข่มเลยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นบางทีถ้าให้ขือนึกเหตุผลเนี่ยมันเป็นไงมันเข้าข้างกิเลส ต, ตัวเองอะ่ะกิเลสมานะอัตตาแลโอ้เราถูกอย่างนั้นนะเราถูกนี้ไอเขาไม่ถูกนี่เขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้นี่ดูที่เราก็ผู้ใหญ่กับเขาเขาเด็กกว่าเราอีกอะ่ะนั่นจะไปให้เราไปยอมได้ไงที่ถูกต้องเด็กต้องยอมผู้ใหญ่สิมันย่ให้ผู้ใหญ่ไปยอมเด็กเหตุผลมันจะมาเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมาย เพราะพอเหตุผลพวกนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาคุณย์อมไม่ลงหรอกเพราะบางทีบางครั้งก็ถึงแบบว่าโอ้โหเหตุผลมากก็บ้าอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นคราวนี้เราเห็นอัตราของเราเองว่าโอ้โหอัตรามานะเราไอ้ตัวนี้ที่จริงเนอยนะเนี่ยกาลังเล่นงานเราอยู่เนี่ยจริงเลยเพราะนั้นเราเอาชนะตัวเองดีกว่าอย่าไปคิดเอาชนะคนอื่นเลยดงนั้นคนนี้เนี่ยจะทุ่มทุนเลย นะลงแรงเรียว่าข่มบังคับไอ้กิเลสมาณนะอัตตาที่กำลังเป็นกำลังมีของเราเนี่ยให้มันสยบให้ได้นั่นแหละถ้าใครทำอย่างนี้ได้เนี่ยบางคนกัดฟันเลยนะถึงยอมอยู่แบบสู้กับกับกับจิตกับใจของตัวเองเนี่ยกัดฟันเนี่ยทนโหฝืนสู้ซึ่งบางทีต้องอย่างนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นอาจมาบอกคุณได้เลยว่าไม่ยอมง่ายๆหรอก คนเรานี่ยอมยากมากเลยโดยเฉพาะคนที่เราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราคำว่าต่ำกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าแค่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าเรียนมาน้อยกว่าเราไม่ใช่แค่นั้นนะต่ำกว่านี่มีโอ้โหเยอะแยะเลยหลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าก็แก่สูงแค่ร้อยห้าสิบอะ ชั้นสูงร้อยเจ็ดสิบแกต่ำกว่าชั้นอันนี้มันแค่ภายนอกต่างๆแม้แต่บางคนเนี่ยนะขนาดอะอะไรอะมีความรู้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยต่ำกว่าเขาหมดแล้วนะแต่ใจของคนนั้นเองเนี่ยนะโอโ้โหยังยึดแบบว่าชั้นเรื่องเนี้ยชั้นฉลาดกว่าแกชั้นเก่งกว่าแกนะชั้นถูกชั้นรู้มากกว่าแกนะเฉะพาะเรื่องนี้นะ บาทียังยึดอย่างนี้อยู่เลยซึ่งเพราะฉะนั้น mm. เพียงแค่เราไปยึดอย่างนี้ไว้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางทีโดยรูปนอกนะทั้งหมดนะคนนี้นี่สู้อีกคนหนึงไม่ได้เลยอายุก็น้อยกว่าเรียนมาก็น้อยกว่านะฝึกฝนมาก็น้อยประสบการณ์กว่าความฉลาดทั่วๆไปก็ฉลาดน้อยกว่าเขานะ เ, เกือบทุกอย่างเลยนะแต่มีอยู่อย่างเนี้ยที่ไม่แพ้เขาคือ ฉันว่า น, นี่ฉันถูกกว่าอันนี้แหละที่คนเนี้ยมีเมื่อมีอันนี้แล้วมันโอ้โหยังไงมันก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไอ้อื่นๆเยอะแยะเนี่ยที่ที่สู้เขาไม่ได้เลยเลยนะแพ้ล่าบนเลยแพ้อันเนี้ยแพ้เหตุผลอันเนี้ยเหตุผลอันที่ว่าฉันเหนือกว่าคุณตรงเนี้ยเพราะนั้นอันนี้อันเดียวเนี่ยนะล้มอันอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันทิ้งได้เลย นี่แหะคืออำนาจของมานะอัตตาถ้าคิดว่าฉันดีฉันถูกอันนี้แล้วก็ใครจะมาพูดยังไงต่อให้เหตุผลดีวิเศษวิโสหรือเหตุผลถูกต้องยังไงบางทีมันไม่รับเลยกว่าทิ้งหมดเลยเพราะความยึดดีหรือความถือดีของเราที่มีอยู่เนี่ยน่ามันจะยึดอันนี้เป็นใหญ่ที่สุดอันอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยยากนะ เขาถึงใช้คำว่าอะไรนะอัตตาพระหรือมานักษัิย์อะไรทํานองเนี้ยที่เรียกว่าระวังเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดคุยกับพระ <c oughs> หรืออะไรอะ่ะพูดถึงพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้ระวังนะระวัง <c oughs> ระวังให้ดีเผลอไม่ได้ ตอนนี้พอมหาอัมมาด น, นี่น้ก็ปรากฏว่ารู้แล้วว่ากาษัตริย์เนี่ยทำไม่ถูกต้องหาวิธีอยู่ว่าจะสอนกษัตริย์นี้ยังไงอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จประพาดพระราชอุทยานเมื่อเสด็จทั่วทุกแห่งแล้วสุดท้ายทรงวกเข้าพระตําหนักในพระราชอุทยานนั้นซึ่งขณะนั้นพระตําหนักบางส่วนยังซ่อมแซมไม่เสร็จ สามารถเห็นโครงของหลังคากับช่อฟ้ารู้ใช่ไหมส่วนส่วนที่เป็นช่อฟ้าฮะใครใครไม่รู้บ้างส่วนที่เป็นช่อฟ้าเคยเห็นวัดเห็นโบสถ์เห็นอะไรต่ออะไรไหมส่วนช่อฟ้าเี่ยจากหลังคาเนี่ยมันจะมีตรงจั่วใช่ไหอที่ที่ที่เราเห็นตรงจั่วเนี่ยนี่แหละไอไอตรงยอดตรงที่เป็นริมหลังคานนเนี่ย นะที่เขาเรียกว่าช่อฟ้านะบางทีเขาก็ทําเป็นเหมือนกับอะไรนะเหมือนหงเหมือนอะไรต่ออะไรหรือจะเป็นกาแลหรือจะอะไรมาติดไว้นั่นแหละบริเวณแถวตรงนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าช่อฟ้า น, นตอนนี้สองตรงสองที่ตรงเนี้ยที่ยังไม่เสร็จมีจันทันไม้สาสิตัวสอดพาดรับเอาไว้คือส่วนของลังคาเนี่ยคาว่าจันทันนี่เข้าใจไหม คือคือลังคาเนี่ยเห็นไหมเวลาเข้ามุงลังคาลามุงลังคาเนี่ยเขาจะต้องมีไม้ใช่ไหมมีไม้ทำง่ายๆเป็นสันลังคาไว้ก่อนถูกไหมแล้วก็จะมีไม้ตีอะไรอ่ะอไม้ระแนงหรือไอ้เส้นใหญ่นะเขาเรียกอกไก่จริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะวนะมันจะอยู่ตรงกลางเส้นใหญ่เลยที่อยู่บนยอดลังคานะที่ที่จะเป็นตัวเนี่ยแล้วก็จะมีไม้ระแนงมีอะไรเนี่ยมาตีที เพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เอาเอาวัสดุที่เราจะบุงหลังคาเนี่ยนะเอาไปปูปูปู ป, ป, ป, ปูได้คุณจะใช้กับเบื่องใช้สังกะสีใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าจันทนะั์นะนนนน อ, อ, อันเนี้ยมีจันทน์เนี่ยสามสิบตัวกันเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามีไม้สามสิบอันเนี่ยมามาเป็นโครงเออเป็นโครงหลังคาที่ที่จะปูพื้นหลังคาได้อั น, นเนี้ยเนี่ย สอดภาดรับเอาไว้เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นส่วนของหลังคาทั้งหมดถูกยันเอาไว้เพียงแค่จันทน์สสิบตัวเท่านั้นก็ทรงหวาดเสียวกลัวว่าหลังคาช่อฟ้าจะตกลงมาใส่พระองค์จึงเสด็จออกไปประทับยืนอยู่ข้างนอกคือคือคือข้างนอกไอ้ตัวพระตำหนักเนี่ยซึ่งซึ่งกำลังซ่อมแซมอยู่แล้วตัดถาม มหาอัมมาด้วยความสงสัยว่าช่อฟ้าสูงสองศอกครึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ห้าฟุตนะสองศอกครึ่งศอกใครก็แล้วแต่นะสองศอกขึ้นจริงๆมันเป็นมาตาวัดสมัยโบราณเขาเรียกอะไรสี่ศอกเป็นหนึ่งว่าอะไรเงี้ยนะเนี่ยเนะเป็นมาตาวัดไม่ใช่ศอกใครศอกมันนะคุณ สอกนี่มันต้องมาตรฐานของเขาเหมือนกันนะว่าออประมาณนี้เรียกว่าศอกหนึ่งแลวงนะ้วศ อ, อ, อ, อกหลวงเหรอมีศอกลาดศอกหลวงด้ยวยนะมันเป็นมาตรฐานในการวัดโบราณอันนี้เขาก็เฉลี่ยมาว่าถ้าสองสอกครึ่งเนี่ยก็คือประมาณห้าฟุตวงรอบกว้างสี่สอกหมายถึงถึงตัวช่อฟ้าเนี่ยนะสูงเนี่ยไอไอตัวความสูงของมันเนี่ย ห้าฟุตพูยง่ายแล้วก็วงรอบความกว้างนะสี่อกก็คือ8ดฟุตทําด้วยแก่นไม้สีเสียดอันนี้ไม่รู้นะไม้สีเสียดเป็นไงไม่มีกะพี้ช่อฟ้าตั้งอยู่ได้อย่างไรจึงไม่ตกลงมาเล่าถามถามหมาอามาดว่าโอ้โหนี่ช่อฟ้าก็อันบเบลมเทิมแล้วนะมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ตั้งเยอะแยะนั่นนี่มีแค่ไอ้จันทันยันเอาไว้แค่ สามสิบท่อนนั้นเองที่ยันเอาไว้เนี่ยบอกหวัดเสียวกลัวจะตกมาใส่มหาหมาได้ฟังคำถามนี้แล้วก็ยิ้มรับทันทีเพราะเกิดปัญญาที่จะสอนพระราชาขึ้นจึงทูลว่าช่อฟ้าไม้นั้นมีกรอนยึดไว้กับหลังคากรอนก็หมายถึงไอ้พวกสมัยก่อนจะเป็นอะไร เป็นเหมือนกับริ่มไม้เป็นเหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับอะไรต่ออะไรที่มันเอามาเหมือนกับตะปูเหมือนกับอะไรพวกเนี้นะแต่มันจะเอามาสอดเอามาอะไรอะขัดกันเอามาทำให้ไม้เนี่ยมันมันมัน ม, นมนอยู่เกาะกันได้ออยึดกันได้แล้วก็เรียกว่ากรอนเนี่ยมหาหมายก็เลยบอกว่าช่อฟ้าไม้นั้นมีกรอนยึดไว้กับหลังคา มีจันทร์ัน30ตัวซึ่งทําด้วยไม้แก่นไม่มีกระพี้ไม้แก่นก็คือโอ้โหไม้เนื้อแข็งเลยนะเป็นแก่นไม้เลยไม่มีไม้แบบเปาะเป ะ, ปะเอากระพี้เอาอะไรมางี้กระพี้มันเป็นแบบเนื้อไม้ที่อ่อนแต่แก่นไม้นี่มันจะแข็งกว่านะวางเรียงค้ายันเอาไว้ก็เพราะกรอนและจันทร์ันเหล่านั้นยึดเหนี่ยวรั้งกันเอาไวอ้อย่างหนาดียังแน่นหนาดี มั่นคงอย่างสมส่วนกันนะคือพอดีพอมาะจึงไม่ตกลงมาจากข้างบนนั้นเปรียบเสมือนกรนีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องลังคาพูดแล้วเสร็จก็เอาไปเปรียบเทียบเปรียบเสมือนพระราชาผู้เป็นบัณฑิตมีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีใจอันมั่นคงไม่แตกกร้าวกันเป็นคนสะอาดก็คือสุจริตนั่นเองมีปัญญาดีคอยช่วยเหลือคำจุนอย่างดีแล้ว ย่อมไม่เสื่อมจากบุญและสมบัติทั้งปวงฉะนั้นคือคือพูดเรื่องหลังคาแต่เอาไปเปรียบกับการปกครองว่า พ, พระมหากษัตริย์เนี่ยจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยก็อยู่ที่พวกข้าราชบริพารเนี่ยน่าเป็นคนดีน่ามีการประพฤติดีเนี่ยช่วยค้ำเอาไว้ทาให้พระราชาเนี่ยอยู่รอดไดนะ้อันนี้เริ่มเปรียบนะมันเปรียบอย่างเี้ พระราชาฟังแล้วเป็นไงก็ต้องคิดเน่ยอดไม่ได้เนี่ยแล้วก็พูดเสร็จแล้วก็ไปเปรียบเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดสิว่าเออเอองั้นตอนนี้พระราชาคิดยังไงพระเจ้าพรมทัต ท, ท, ทรงสดับแล้วได้ทรงพิจารณาตามไปด้วยปัญญาทรงเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเจี่ฟ้าและหลังคานั้นถ้าจันทร์ันไม่ช่วยยึดเหนี่ยวค้ำเอาไว้หรือจันทร์ันแตกหักถูกทําลายไป ช้าฟ้าย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ต้องล่วงรวนลงสู่เบื้องล่างเสมือนกับพระราชาไม่ทรงธรรมย่อมไม่อาจยึดเหนียวใจของหมู่มิตรอํามาตย์กำลังพลและปวงชนทั้งหลายไว้ได้คนเหล่านั้นย่อมจะแตกแยกกันไม่พากันช่วยเหลือแก่พระราชาแล้วพระราชานั้นก็จะเสื่อมสิ้นอํานาจไปคือพระราชาฟังข้อเปรียบเทียบของมหาหมาดแล้วก็เข้าใจ ก็เลยเออก็เลยคิดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออเราเข้าใจล้วช่วงเวลานั้นมีผู้นําผลมังงว้วรู้รู้จักไหมผลมังงว้วใครรู้จักบ้างยกมือสิอู้จักนะเป็นยังไมงมังั้วในเนี้ยเขาเขียนว่ามอสระมะงองูไมหัากาดววแหวนแล้วก็ไมเอกงั้วเอ่เอารู้จักไหม เออแมโยมนี่แสดงว่ารู้จริงเ น, ะนาะอาตมาจะไม่รู้หรอกมะงั่วงเป็นไงอะแม่โยมแต่ว่าไปเปิดไปเปิดโพชนาทุงกรมว่าอะไรคือมะงั่วนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลท้ายส้มโอรสเปี้ยวเหมือนมะนาวแหนะแสดงว่านี่รู้จริงรู้จริงหรือแอบไปเปิดโพชนาทนุกก่งกรมมา่ก่อนปะเนี่ยนะปรับแล้วยมโยมเคย เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างไหนอะถึงได้รู้าปาป่านั่สิแล้วเราไปรู้มาจากไหนอะไอคําเนี่ยเพราะว่าอาตมาตั้งแต่เด็กมายังไม่ไม่เคยเลยลอะเขาก็เรียกกันเหรอเขาก็เรียกมังงว่วเหรออ๋อเขาเรียกอย่างนี้เลย อ, อ, อแสดงว่าถ้าเป็นส้มโอแล้วลูกเล็กหน่อยเขาจะเรียกมังงว่วลเหรอฮะหรือว่าเป็นพันพันหนึ่งเลยเป็นพันพันหนึ่งเลยเหรออ๋อเรียกว่ามังงว่วเลยเหรอ แมวัหลังเห็นแล้ว เ, อเจอเอามาให้ดูบางจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้เหรอมั่งมัง่าอาตมาจะได้ไม่ต้องมังว่วไม่อย่างนั้นเรไม่รู้ว่าเป็นยังไงนออันนี้ก็บอกเปรี้ยวเหมือนมะนาวแสดงว่าเอาไปทําเป็นมะนาวได้ดีนะเป็นมะนาวลูกโตนะใช่ไหมไห <laughs> มีผู้บอกว่าอย่ายํามากเดี๋ยวน้ำลายไหลอ่ะตอนนี้ปร า, ากฏว่า พอดีเลยนะช่วงตอนนั้นเนี่ยมีคนเอาผลมังง้วเนี่ยมาถวายพระราชานะซึ่งเก็บจากต้นที่อยู่ในพระราชอุทยานนั้นเองพระราชาทรงยื่นให้พร้อมทั้งตัดกับมหาอามาตย่าเอาสิเชิญท่านลองรับประทานผลมังง้วนี้เถิดแกลังําลังแบบว่าพอใจอยู่ใช่หมที่มหาอมาตยานี้เออให้คาตอบใดดีพอดีมีคนถวายผลมังง้วมาก็เลยเอา้าวให้กับ มหาอมาตย์อมาตนี่ก็เลยเอาละเริ่มคิดแล้วมาจะสอนพระราชาอีกละเนี่ยคนมีสติปัญญาแล้วก็คนเขาเรียกว่ามีไหวพริบ ป, ปฏิภาณอันนี้เป็นบา ร, รมีอันนึงนะไหวพริบ ป, ปฏิภาณบางคนมีสติปัญญาฉลาดก็จริงแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้นะแต่ไม่ไม่แวววัยที่จะแนะจะบอกจะสอนจ ะ, อะไรคนบางชาติของพระพุทธเจ้าที่ เป็นพระโพธิสัตว์บางชาติยัง โ, โหสอนคนจนกระทั่งโดนเขาฆ่าตายเลยนะ <c oughs> ไหวพิปฏิพานไม่ใช่ว่าจะไปมีเยอะแยะนะบางทีบางบางชาติเนี่ยแต่สําหรับมหาอมาตนี่บาง่ามีไหวพิปติพานไวมีคนเอานี่มาให้ปั๊บเอ่อให้พระราชาถวายพระราชาพระราชาให้มาปับ๊บคิดเลยเดี๋ยวจะสอนพระราชาแล้ว